บุกทูยี่สิบสองบสโตดูการสนทนาสามกอฟโตกุยคูทาเซคุณสูบบุหรี่ไหมครับชมาสซิการมิชีชีดผมเคยสูบครับ در گ ذ ش ت ه بله บแต่ตอนนี้ผมไม่สูบแล้วอ م อหมอฮอลล์ดียาร์ซิการนมีชารบกวนคุณไหมครับถ้าผมสูบบุหรี่อา ی ั م มี و ی د اگر من سیگار بکشم าไม่เลยครับนาม ط ل ล ا ًัน มันไม่ได้รบกวนผมครับคุณจะดื่มอะไรไหมครับ ی ی บรันดีไหมครับไม่ครับผมชอบเบียร์มากกว่าน ه ه و و ش า คุณเดินทางบ่อยไหมครับ شما زیاد مسافرت می کنید คบ่อยครับส่วนใหญ่เป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจบัลเล่อัลเบเตอิกซ า, ารนซ์ซาฟาโยคอรีแต่ตอนนี้เรามาพักร้อนอา ม, มาฮอ ا ออินจอทะจิโลเทมอนโรมิโกซาโรร้อนอะไรอย่างนี้ n j d r m s t ใช่วันนี้ร้อนจริงๆ ه, เรอา r m s t เราไปที่ระเบียงกันเถอะ b e r a i m r u Balkon พรุ่งนี้จะมีงานรื่นเริที่นี่ Fardo e n j o y e مهمنی برگزار می شود คุณจะมาร่วมงานด้วยไหมครับ شما هم م ม آ อ ی د ครับพวกเราได้รับเชิญด้วยบ้ลมฮม์า ه ัลวัด ه อีม